50 languages. สิบหเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้นินเนอินดุนาเลเมื่อวานเป็นวันเสาร์นินเนศุนยิวรอาิต เมื่อวานดิฉันไปดูหนังนานุนินเนจิตรมันดระด ล, ลีอิดเดหนังน่าสนใจภาพพยนตร์น่าสนใจจิตรสวารสยกราวากิจุวันนี้เป็นวันอาทิตย์ฮินดูบานุวาระวันนี้ดิฉันไม่ทำงาน อินดูน้าโนเคลลัมาดวุดิลล่าดิฉันอยู่บ้านน้าโนมนยลีอีรุตเตเนพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์น้าเลยโซมวารพรุ่งนี้ดิฉันไปทำงานอีกน้าเลยพุณหะเคลลัมาดุตเตเน ดิฉันทำงานที่สำนักงานนานูคก็เชรียอลทีเคลาสมาดเตเนคนนั้นคือใครอวรูยารูคนนั้นคือปีเตอร์อวรูปีเตอร์ปีเตอร์เป็นนักศึกษาปีเตอร์อบบาวิทยาลัย คนนั้นคือใครอาวรูยารุคนนั้นคือมาธาอาวรูมาธามาธาเป็นเลขานุการอาวรูการยยดัชชีปีเตอร์และมาธาเป็นเพื่อนกันปีเตอร์มัตตูมาธาสเนหิตาร ปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาธาปีเตอร์มารธาอวรสเนหิตามาธาเป็นเพื่อนของปีเตอร์มารธาปีเตอร์อวรสเนหิเตกรุณาไปที่ www b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด